พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่สามมหาเปรินิพพานสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิตกูตรเขตกรุงราชกฤตสมัยนั้นพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาสตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีรับสั่งว่าเราจะโค่นล้มพวกวัชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอนุภาพอย่างนี้ให้พินาฏย่อยยับฤทิ์ในที่นี้หมายถึงความพร้อมเพรียงกันอนุภาพในที่นี้หมายถึงการได้รับการศึกษาฝึกฝนศิลปะต่างๆพระเจ้าอาชาศัตรูรับสั่งเรียกวัสกาละพราหมามหาอมอาตแคว้นมคตสั่งให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วจงกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาแห่งแคว้นมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหีบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวชัชีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์อย่างไรท่านพึงจำคําพยากรนั้นมาบอกเราเราว่าพระตถาคตย่อมไม่ตรัสคําเท็จวสการะพราหมณ์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วเดินทางไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคตามรับสั่งของพระเจ้าอาชาติศัตรู เมื่อวัศการะพราหมณ์ทูลถามดังนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตรัสตอบแต่ตรัสเรียกท่านพระอานนท์ซึ่งถวายงานอยู่มาตรัสถามพระอานนที่เละข้อว่าอานนท์เธอได้ยินไหมว่าหนึ่งพวกเจ้าวัชีมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันมากครั้ง 2. พวกเจ้าวัชีร้อมเรียงกันประชุมร้อมเรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทากิจที่พวกเจ้าวัชีจะพึงทํามพวกเจ้าวัชีไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ถือปฏิบัติมั่นตามวัชีธรรมที่วางไว้ตามเดิมทมคำว่าธรรมะนะครับวัชีธรรมที่วางไว้เดิมหมายถึงประเพณีที่สืบต่อกันมานานส พวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัดชีและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟังหพวกเจ้าวัดชีไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย 6. พวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือ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 ท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกในแวนแขวนท่านพระอานุนทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระอานุนว่าพวกเจ้าวัดชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยหากยังปฏิบัติทั้งเจ็ดประการ น, นี้อยู่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับวัสการพรามมหามาหะอมาดแควนมาโคดว่าพรา์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทเจดีเขตกรุงเวสาลีได้แสดงอาริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แ ก, พก่พวกเจ้าวัชีพวกเจ้าวัชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชียังมีอาริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่ และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้วัสการะพรามได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกเจ้าวชัชีมีอภรินิยธรรมแม้เพียงข้อเดียวก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยไม่จำต้องกล่าวว่ามีครบทั้งเจ็ดประการข้าแต่ท่านพระโคดม พระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรไม่ควรทำสงครามกับพวกเจ้าวัตชีนอกจากจะใช้วิธีปรองดองทางการทูตหรือไม่ก็ทำให้แตกสามัคคีกันข้าแต่ท่านพระโคโดมถ้าอย่างนั้นบัดนี้ข้าพระองค์ขอคุลูลากลับพระพุทธเจ้าข่าเมื่อวัสการะพราหมณ์จากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียท่านพระอนนท ให้ไปนิมนต์ภิกษุที่อยู่ในกรุงราชคฤห์ทุกรูปให้มาประชุมกันที่หอฉันเมื่อรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอภาริหานิยธรรมเจตประการแก่เธอทั้งหลายจงใส่ใจให้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย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 ไม่ล้มล้างสิ่งที่เราได้บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วตราบเท่าที่ภิกษุยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญูบวตมานานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกและสำคัญถ้อยคาของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง สำหรับคำว่าเป็นเทระในที่นี้หมายถึงเป็นผู้มีความมั่นคงในพระศาสนาไม่หวนคืนเป็นสู่เพศคขหรหัสอีกประกอบด้วยคุณธรรมที่ให้เป็นพระเทระคือศีลเป็นต้นพระตัญญูเป็นตำแหน่งเอตาทัคคะที่พระัญญาโกณทัญญาได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้ามีความหมายว่ารู้ราตรีนานคือบวชรู้แจ้งธรรม และเป็นพระขีนาศก่อนพระสาวกทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัญหาก่อให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้มุ่งหวังเสนาสนะป่าตราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งสติไว้ในภายในว่าทำอย่างไร เพื่อนปรงมาจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มาพึงมาท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างพาสุขภิกษุพึงหวังไดแ้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปราบเท่าที่ภิกษุยังมีอ ป, ปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่และใส่ใจอ ป, ปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจตประการอีกหมวดหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ยินดีการงานไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการงานสำหรับคำว่าไม่ชอบการงานในที่นี้หมายถึงไม่เพลดิดเพลินอยู่ด้วยการทำงาน เช่นการ ท, ทําจีวรการทําภาครองน้ําจนไม่มีเวลาบําเป็นสมณธรรมเช่นถ้าท่านรู้จักแบ่งเวลาถึงเวลาเรียนก็เข้าเรียนถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดถึงเวลาเจริญภาวนาก็เจริญไม่ถือว่าชอบการงานอีกในหนึ่งหมายถึงการงานทางโลกที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติธรรมนะครับ ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุยไม่ยินดีการพูดคุยไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุยคำว่าไม่ชอบการพูดคุยหมายถึงไม่ชอบพูดคุยเรื่องนอกธรรมะนอกวินัยตลอดทั้งวันเช่นเรื่องผู้หญิงเรื่องเลรัชสานกถาเรื่องของชาวโลก ถ้าสนทนาธรรมเพื่อแก้ปัญหาไม่ถือว่าชอบการพูดคุยภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับไม่ยินดีการนอนหลับไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมูไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู ไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาชั่วไม่ตกไปสู่อำนาจของความปรารถนาชั่วตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่มีมิรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่ถึงความหยุดชะงักในระหว่างเพียงเพราะ บ, บรรลุคุ ณ, ณวิเศษชั้นต่ำ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยกราบที่ภิกษุยังมีอปาริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่และใส่ใจอปาริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปาริหานิยธรรมเจ็ประการอีกหมวดหนึ่งภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงหวังแด้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อมีสี่อย่างคือ 1. อคคามนิยะสศรัทธาของพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพื่อพระสัพพัญญุตยาน 2. อ, อธิคมะศรัทธาของพระอริยบุคคล 3. ปัสาปสาทะ ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ 4. โอกลับปณะศนระัทธาอย่างมั่นคงแต่ในที่นี้หมายถึงประสาทะและโอกลับปณ ะ, ะเท่านั้นภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีฮิริตราบเท่าที่ภิกษุยังมีโอดตัปะกตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นพระหูสูตร พรหูสูตรแลวว่าผู้ฟังมามากมีสองอย่างคือหนึ่งปริยติประหูสูตรแตกชาในพระไตรปิฎก 2. ปฏิเวทพหูสูตรบรรลุสัจจะทั้งหลายพระหูสูตรในที่นี้หมายถึงปริยติพหูสูตรภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังปรารบความเพียรหมายถึงบำเพ็ญเพียรทั้งทางกายทั้งทางจิตความเพียรทางกายคือเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นอยู่โดดเดี่ยวความเพียรทางจิตคือบรรเทาความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีสติตั้งมั่นตราบเท่าที่ภิกษุยังมีปัญญา ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่ม so, ีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้อยู่และใส่ใจอภาริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอภาริหานิยธรรมเจ็ประการอีกหมวดหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญสติสัมโพสชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญธรรมวิจยะสัมโัสชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเป็นธรรมตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญวิริยะสัมโัสชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร ตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญปีติสัมโพชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญปัสสธิสัมโพชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญสมาธิสัมโพชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น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 เราจะแสดงอปาริหานิยธรรมเจ็ดประการอีกหมวดหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญอนิจสัญญาคือการกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญอนัตตาสัญญาคือกำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมะทั้งปวง ตราบเท่าที่ภิกสุยังเจริญอสุภาัญญาคือการกําหนดหมายความไม่งามในกายตราบเท่าที่ภิกสุยังเจริญอาทีนวะวสัญญาคือกําหนดหมายทุกโทษของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆตราบเท่าที่ภิษุยังเจริญปหาณะสัญญาคือกําหนดหมายเพื่อละอกูรลสวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย ตราเท่าที่ภิกษุยังเจริญวิราะสัญญาคือกำหนดหมายวิราะว่าเป็นธรรมะละเอียดปราณีตตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญนิโรธสัญญาคือกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมะละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราเท่าที่ภิกษุ ยังมีและใส่ใจอภาริหานิยธรรมทั้งเจประการนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอภาริหานิยธรรมอีกมวลหนึ่งแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งแนที่แจ้งและแนที่รับ ทงต่อหน้าและลลราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนปรมจารีทั้งในที่แจ้งและในที่ลับตราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งมั่นเมตตามนโนกรรมในเพื่อนปรมจารีทั้งในที่แจ้งและในที่ลับตราบเท่าที่ภิกษุยังมีการบริโภคโดยไ ม, แย ม, รร ม, ยมย่แบ่งแยกลาบทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาตคืออาหารในบาตรบริโภคร่วมกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยในที่นี้หมายถึงไม่เป็นธาตุของตัณหา ท่านผู้รู้สันเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมะเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ทาตามเสมอกันกับเพื่อนพรมจรีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยระดบเท่าที่ภิกษุยังมีและใส่ใจในอาปาริหานิยธรรมทั้งหประการนี้อยู่พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดเขตก ร, รุงราชครื ทรงแสดงธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิต อันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะพวาสวะและอวิชชาสวะต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จไปประทับอยู่ที่พระตำหนักหลวงในอัมพรธทิกาวันทรงแสดงธรรมมีกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกันแล้วจึงเสด็จไปเมืองนาลันทา ประทับอยู่ที่ปาวาริกรัรมพวันสำหรับพระสูตรนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังเมืองใดก็ตามนะครับจะมีการแสดงธรรมีกถาเช่นเดียวกันนี้ทุกเมืองท่านพระสาริบุตรบรลลือีหนาศครั้งนั้นท่านพระสาริบุตรเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เริ่มใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจกไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพรา์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาริบุตร เธอเกล่าวอาสพิวาจาหมายถึงวาจาอย่างองอาจเธอเกล่าวอาสพิวาจาอย่างสูงเธอถือเอาด้านเดียวบรรลือสีหนาดดังกล่าวมานี้สารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการในอนาคตการและในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นและพระองค์นี้จึงทรงมีศีลอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ทรงมีปัญญาอย่างนี้ทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านพระสาริบุตรทูลตอบว่าหามิได้พระพุทธเจ้าค่าสาริบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณ หมายถึงยานปริชากำหนดรู้ใจผู้อื่นได้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้บัดนี้ฉนันหนเธอกล่าวอาสพิวาจาเธอถือเอาด้านเดียวบรรลือีหานาตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เริ่มใส่พระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจกไม่มี และย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพ่านพระสาริบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมาน เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคงมีกำแพงแข็งแรงมีป้อมค่ายแข็งแรงมีประตูเดียวในประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุด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 ถอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ส่งเจริญโพชงเจ็ตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิสยานแล้วแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตกาลและแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็เช่นกันข้าพระองค์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการในอนาค ต, ตการและในปัจจุบันทรงละนิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจถอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปทาน 4, สี่ทรงเจเริญโพชฌงเจ็ดตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตรัรตรรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว โทษของคนทุศีลห้าประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับในเมืองนาลันธาต่อมาจึงเสด็จไปยังปาตาลิคามพวกอุบาศกอุบาสิ ก, กาชาวปตาตลิคามได้ทราบข่าวจึงพากันเข้าไปเป้ากราบทูลขอโปรดทรงรับเรือนพักแรมของพวกเขาพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณี ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังเรือนพักแรมส่งล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่เรือนภักแรมประทับนั่งพิงเสากลา ง, งปินพระพักไปทางทิศตะวันออกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิกามาตรัสว่าขหาบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล มีโทษหประการดังนี้ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโคคซับเป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคลบบคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไป 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติ จะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นคติยะบริษัทพระมณ์บริษัทขะหะบดีบริษัทหรือสมณบบริษัทก็ตามย่อมไม่กล้ า, ลาเกอ้อเขินเข้าไป 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตาย 5. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติ หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกขะหาบดีทั้งหลายศินวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้แหลออนิสงของคนมีศีลห้าประการข้าหาบดีทั้งหลายศิสลสมบัติและบุคคลผู้มีศี์มีอานิสงห้ประการดังนี้ ย่อมมีโพคัพับเป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุกิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจจไปเมื่อจะเข้าไปยังบริษัทใดๆย่อมกล้าวกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปย่อมไม่หลงลืมสติตายหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์ข้าหาบดีทั้งหลาย สิลสมบัติของบุคคลผู้มีศิลมีอานิสง์ห้าประการนี้แหละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามเป็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้ากล้าหลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกระถาเกือบต ล, ลอดคืนการสร้างเมืองปตาตลีบุตร สมัยนั้นมหาอา ม, มาสุนีทะและมหาอา ม, มาตวัสการะชาวแคว้นมคตสร้างเมืองในปัตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดชีเทวดาจำนวนมากจับจองที่เป็นพันพันแห่งในปัตลิคามจิตของพระราชาและราชอา ม, มาที่มีศัก์ใหญ่ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศัก์ใหญ่จับจองจิตของพระราชาและราชอา ม, มาที่มีศักปานกลาง ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์ปานกลางจับจองจิตของพระราชาและราชอัมมาที่มีศักดิ์น้อยย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยจับจองอธิบายเชิญอัดทราบว่าเทวดาเหล่านี้เข้าสิ่งในร่างของคนผู้เชี่ยวชาญวิชาดูพื้นที่เราให้ผู้เชี่ยวชาญหล่านั้น บอกว่าควรจะสร้างบ้านเมืองที่นั้นที่นี้เพื่อประสงค์จะให้พระราชาและราชอามาตผู้มีศักย์ใหญ่มีศัก์ปานกลางมีศัก์น้อยใกล้ชิดกับตนและทาศั ก, กระสมควรแก่ตนพระผู้มีพระภาคทรงเห็นเทวดาจำนวนมากเหล่านั้นพากันจับจองที่เป็นพันพันแห่งในปาตาลิคามด้วยทิพย a จักสุอันบริสุทธ์เหนือมนุษย์ ครั้นในเวลาเช้าเมื่อเสด็จลุกขึ้นรับสั่งเรียกท่านพระอนุนมาตรัสถามว่าอานุนใครจะสร้างเมืองในปตาตลิคามท่านพระอนุนทูลตอบว่ามหาอัมมาสุนีทะและมหาอัมมาวัสการะชาวแคว้นมคต์กำลังจะสร้างเมืองในปตาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาอัมมาสุนีทะ และมหาอัมมาตวัสการะชาวแคว้นมคตจะสร้างเมืองในปตาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดชีเหมือนได้ปรึกษากับพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วณที่นี้เราได้เห็นเทวดาจานวนมากผากันจับจองที่เป็นพันๆแห่งในปาตาลิคามด้วยที่พญาจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จิตของพระราชาและราชอัมมาที่มีศัก์ใหญ่ ยอมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศัก์ใหญ่จับจองจิตของพระราชาและราชอัมมาที่มีศักปานกลางยอมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักปานกลางจับจองจิตของพระราชาและราชอัมมาที่มีศักน้อยยอมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักน้อยจับจองตราบใดที่ยังเป็นแดนที่อารยชนติดต่อกันอยู่ ตราบใดที่ยังเป็นเส้นทางค้าขายตราบนั้นเมืองปตาตลีบุตรนี้ยังจะเป็นเมืองชั้นเยี่ยมเป็นย่านการค้าอยู่ต่อไปแต่เมืองปตาตลีบุตรนั้นจะมีอันตรายสามอย่างคืออันตรายจากไฟอันตรายจากน้าหรืออันตรายจากการแตกความสามัคคี ต่อมามหาอัมมาสุนีทะและมหาอัมมาศวัสการะชาวแคว้นมคธเข้าไปเฝ้ากราบธูนนิมนต์ให้โปรดรับพัฒตาหารของพวกเขาครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุษสงส์เด็จเข้าไปยังที่พักของมหาอัมม่าสุนีทะและมหาอัมมาศวสการะชาวแคว้นมคธเมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จวางพระหัตจักบาตพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา คือแสดงธรรมโปรดให้เขาเหล่านั้นด้วยพระคถ า, าเหล่านี้ว่าบัณฑิตอยู่ในที่ใดเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้สำรวมประพฤติปรมจันทร์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึงอุทิศทักษิณาหมายถึงพึงให้ส่วนบุญแก่เหล่าเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นอันเขาบูชาแล้วย่อมบูชาตอบ เขานับถือแล้วย่อมนับถือเขาตอบจากนั้นย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทนดุษมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกหมายถึงบุตรที่มารดาเลี้ยงดูให้เจริญอยู่แนบอกดังนั้นผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อครั้นส่งอนุโมทนาแก่มหาอมมาสุนีทะ และมหาอามาตวัสการะชาวแควนมคตด้วยพระคาถาเหล่านี้ทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จจากไปลําดับนั้นมหาอามาตสุนีทะและมหาอามาตวัสการะชาวแควนมคตตามสเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปฤษดางด้วยคิดว่าประตูที่ท่านพระสมณะโคโดมสเสด็จออกไปในวันนี้จะมีชื่อว่าประตูพระโคโดมท่าที่พระองค์สเสด็จข้าแม่น้ําคงคา จะมีชื่อว่าท่าพระโคดมต่อมาประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจึงได้มีชื่อว่าประตูพระโคดมคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปใกล้แม่น้ำคงคาเวลานั้นแม่น้ำคงคาเต็มเสมอฟังนกกาคมดื่มกินได้คนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามฟากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่น พระผู้มีพระภาค พ, พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงหายไปจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ํำคงคาไปปรากฏที่ฝั่งโน้นเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรคนเหล่านั้นผู้ปรารถนาจะข้ามฝากทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าคนพวกหนึ่งกําลังสร้างสะพานหมายถึงอริยมรรคข้ามสะใหญ่ หมายถึงตันหาคนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพานข้ามสะใหญ่โดยมิให้แปดเปื้อนด้วยโคลนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุนอยู่ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้วเรื่องอริยาศัสตร์สี่ประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค รอมดยภิกษุสงฆ์มูใหญ่สเสด็จประทับอยู่ที่โกติ ค, คามรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยาาสัจสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้อริยาาสัจสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจสอง เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะสมุทยอริยส ah ัจสามเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธอริยสัจสี่เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจ <Discord> เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ภิกษุททั้งหลายเราและเธอทั้งหลาย ได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัตว์ทุกขะสมุทยาอาริยาสัตว์ทุกขะนิโรธอริยสัตว์และทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยาสัตว์เราและเธอทั้งหลายถอนภวะตัณหาได้แล้วภวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วภวะเนติหมายถึงตัณหานำไปสู่พบตัณหาประดุดเชือก ซึ่งสามารถนำสัตว์ออกจากภพไปสู่ภพพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสัสสดาได้ตรัสเวยยกรณะภาสิบนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ ส, สี่ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลยาวนานแต่เพราะได้เห็นอริยสัจ ส, สี่เราและเธอทั้งหลาย จึงถอนพอวันเนติได้ตัดรากเงาแห่งทุกข์ได้เด็ดขาดบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกความไม่หวนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จประทับอยู่ที่พระตำหนักในนาธิกาคามลำดับนั้น ท่านพระอนุนเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสาระหะภิกษุนันทาที่มรณภาพในนาทิกะคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรอุบาสกสุทัตตะอุบาสิ ก, กาสุชาดาอุบาสกกกุทะอุบาสกกาลลิมพระอุบาสกนิกตะอุบาสกกติสหะ และอุบาสกอื่นๆที่ดาบชีพในนาธิกาคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคกรัดตอบว่าภิกษุสาระหะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนันทาเป็นอบปติกะ เราะละสังโย์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปบริณิพนธ์ในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอบปฏิกะหมายถึงสัตว์ที่เกิดและเติบโตเต็มที่ขึ้นทันทีในที่นี้หมายถึงพระอนาคามีที่เกิดในภพชั้นสุทธาวาสอุบาสกสุทัตตเป็นพระสกท า, าคามีเราะสังโยตสามประการสิ้นไป และเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่พบนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสิ ก, กาสุชาดาเป็นพระโสดาบันเพราะสัง่งยศสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าในที่นี้หมายถึงมักษามเบื้องสูงส่วนอุบาสกทั้งหลายในนาทิกคามอีกห้าสิบคน ทั้งหมดเป็นอบปฏิกับเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปบริณิพนธ์ในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกในนาธิกะคาอีก96หคนดับชีพแล้วเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์สมประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบ า, บางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ อุบาสกในานาธิกรคาอีกห้าสิบคนดับชีพแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยศสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับอานนท์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 อริยมรรคญาณเราจะแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เมื่อประสงค์ก็จะพึงพยากรตนได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในนรกในกำเนิสดสัตว์รชานในแดนเปรตในอบายทุกติและวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำ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 ควรแก่ทักสินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจหมายถึงศีลที่ประกอบด้วยมรรคแลบผลในที่นี้หมายถึงความสำรวมทุกชนิดประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย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 ในแดนเปรตในอบายทุกติและวินิบาทแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีความตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำพวธิในวันข้างหน้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หม่เสด็จถึงกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่อัมพาปาลีวันรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างนี้แหลภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไร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 การพูดการนิ่งภิกษุผู้มีสัมปัชัญญะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปัชัญญะอยู่นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายเรื่องนางอัมพะปาลีคานิกา นางอัมพปาลีคณิกาทราบว่าพระผู้มีพระภาคสเสด็จถึงกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของเราลำดับนั้นนางอัมพปาลีคณิกาเดินทางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นางอัมพปาลีคณิกาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเรา้าใจให้อานหารแกล้วกล้าห ล, ลอบฉลอมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมนิกา นางอัมพปาลีคณิกาได้กราบทูนนิมนต์พระผู้มีพระภาคได้โปรดรับพัตาหารของหม่อมชันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีพวกเจ้าลิจวีกรุงเวสาลีได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่อัมพะปาลีวันจึงสั่งให้จัดเตรียมพานะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้ทราบว่าพระองค์ทรงรับนิมนต์จากนางอัมพปาลีให้ทรงรับพัตตาหารในวันพรุ่งนี้เมื่อได้เจอนางอัมพปาลีพวกเจ้าลิชวีตรัสว่าเธอจงให้พัตตาหารมื้นี้แลกกับเงินหนึ่งแสนเถิดนางอัมพปาลีทูลว่าแม้วกท่านจะยกกรุงเวสาลีพร้อมทั้งแวดแควนให้หม่อมชั้นกระนั้นหม่อมฉั้นก็ไม่ยอมให้พัตาหารมื้อสาคัญ พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพวกเจ้าลิชวีเสด็จมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่ไม่เคยเห็นพวกเทพชั้นดาวดึงจงดูพวกเจ้าลิชวีจงเปรียบพวกเจ้าลิชวีกับพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเจ้าลิชวีเสด็จไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคส่งชี้แจงให้พวกเจ้าลิชวีเห็นชัด สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาพวกเจ้าลิชวีทูลขอพระผู้มีพระภาค พ, พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัฒนาฐานของพวกข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรารับนิมนต์เพื่อฉันพัฒนาฐานในวันพรุ่งนี้ของนางอัมพาปาลีไว้แล้ว ตอนเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังที่พักของนางอัมพาตปาลีคณิกาเมื่อพระผู้มีพระภาคสุไว้เสร็จวางพระหัตจักบาทนางอัมพาปาลีคณิกาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นขอมอบถวายสวนแห่งนี้แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระผู้มีพระภาคทรงรับสวนแล้ว จึงส่งชี้แจงให้นางอัมพาปาลีคณิกาเป็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติด้วยธรรมมีกถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จไปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัมพาปาลีวันเขตกรุงเวสาลีทรงแสดงธรรมมีกาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายทรงเข้าจำพรรษาในเวลุวะคาม ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมพวะภิกษุสมู่ใหญ่เสด็จถึงและประทับอยู่ในเวลุวะคามรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจำพรรษารอบกรุงเวสาลีตามที่ที่มีเพื่อนตามที่ที่มีคนเคยพบเห็นกันตามที่ที่มีคนเคยคบกันส่วนเราจะจําพรรษาในเวลุวะคามนี้ ครันพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาได้เกิดอาการพระประชวนอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพานทุกขเวทนาในที่นี้หมายถึงความรู้สึกเจ็บปวดเป็นอาการของทุกข์ในไตรลักษณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้แม้แก่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทหรือในอริยสัจพระผู้มีพระภาคทรงข่มทุกขเวทนานี้ด้วยความเพียร พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่ปรันปรึงทรงพระดำริว่าการที่เราไม่บอกผู้อุปถากไม่อำลาภิกสุสง์ปรินิพานนั้นไม่เหมาะแก่เราทางที่ดีเราควรใช้ความเพียรขับไล่อพาทานี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่ต่อไปความเพียรในที่นี้มีสองอย่างคือ 1. ความเพียรที่เป็นบุพภาค ได้แก่การบริกรรมพละสมาบัติ 2. ความเพียรที่ประกอบด้วยพละสมาบัติลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ความเพียรขับไล่อาการพระประชวนนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่อาการพระประชวนจึงสงบเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวนหายจากพระอาการไข้ไม่นาน ได้เสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วในร่มเงาพระวิหารท่านพระอานุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มิพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนาที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระสุขภาพของพระองค์แล้วได้เห็นพระองค์ทรงอดทนต่อทุกขเวทนาแล้ว ทำให้ร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุดคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์อีกแล้วธรรมะในที่นี้หมายถึงสติปัฏฐานสี่เป็นต้นรอบระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจะยังไม่บริลนิพพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปรารภภิกษุสงฆ์ แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาตรัสว่าอานนภิกสุยังจะหวังได้อะไรในเราอีกเล่าธรรมะที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มีนอกหมายถึงไม่แบ่งเป็นสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการแบ่งธรรมะหรือแบ่งบุคคลคือผู้ฟังเชียนผู้ที่คิดว่าเราจะไม่แสดงธรรมประมาณเท่านี้แก่บุคคลอื่น ชื่อว่าทาธรรมะให้มีในแต่จะแสดงธรรมะประเภทเท่านี้แก่บุคคลอื่นชื่อว่าทาธรรมะให้มีนอกส่วนผู้ที่คิดว่าเราจะแสดงแก่บุคคลนี้ชื่อว่าทาบุคคลให้มีในไม่แสดงแก่บุคคลอื่นชื่อว่าทาบุคคลให้มีนอกในเรื่องธรรมะทั้งหลายแต่ถาคตไม่มีอาจาริยมุธิ แปลว่ากรรมือของอาจารย์อธิบายว่ามือที่กรรมไว้ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่ห่วงวิชาไม่ยอมบอกแก่สิทธิ์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มแต่จะบอกแก่สิทธิ์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้จะตายเท่านั้นแต่พระผู้มีพระภาพไม่ทรงถือตามคติเช่นนี้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 แล้วทำไมตถาคตจะต้องปราบรภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเล่าบัดนี้เราเป็นผู้ชราแก่เท่าล่วงการมานานผ่านวัยมามากเรามีวัยแปดสิบปีร่างกายของตถาคตประหนึ่งแซมด้วยไม้ไผ่ยังเป็นไปได้ก็เหมือนกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนนั้นร่างกายของตถาคตสบายขึ้น ก็เพราะในเวลาที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทุกอย่างและเพราะดับเวทนาบางอย่างได้เท่านั้นอานนท์เพราะเหตุนี้แหละพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะในที่นี้หมายถึงทำตนให้พ้นจากคลื่นน้ำคือโอกคะสีเหมือนกับเกาะกลางมหาสมุทรที่น้ำท่วมไม่ถึง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 จะอยู่ในความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใครต่อการศึกษาว่าด้วยนิมิตโอภาษตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาและเจดีตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีสัตตมพระเจดีพระโหปุตตเจดี สารันทะเจดีปาวาและเจดีน่ารื่นรมอิทิบาศีผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารถนาดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิทิบาศีตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมันแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับกับในที่นี้หมายถึงอายุกับคือช่วงอายุของคนแต่ละยุคในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าของเราอายุกับของคนเท่ากับหนึ่งรปีเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทํานิมิตให้ชัดแจ้ง ทรงทาโอภาษที่ชัดเจนแม้อย่างนี้ท่านพระอาณนน์ก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพยอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนี้ เพราะท่านพระอนุ์ถูกมารโดนใจแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระอนุ์ดังเดิมแต่พระอนุ์ก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวออาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับทั้งนี้เพราะท่านพระอนุ์ถูกมารโดนใจ จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าไปเถิดอานนท์เธอจงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วโลกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลมานกราบทูลให้ปรินิพาน ครั้นเมื่อท่านพระอานุนจากไปไม่นานมานผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปริณิพานในบัดนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามานผู้มีบาปเราจะยังไม่ปริณีพานตราบเท่าที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย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 ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรับวาาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ปรับวาทในที่นี้หมายถึงวาทะหรือลัทธิต่างๆของเจ้าลัทธิอื่นนอกพระพุทธศาสนาถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาค เป็นตามดังคํานั้นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบนัดนี้ขอพระสุคตรปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคก่อนนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ปรงมจันทร์ของเรายังไม่บริบูรณ์ กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีพระมาจันในที่นี้หมายถึงศาสนาพระมาจันคือคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นที่รวมลงในไตรสิกขาตราบเท่าที่พระมาจันของเรายังไม่บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลานี้ องค์มาจย์ของพระผู้มีพระภาคบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดป ร, รินิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดป ร, รินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาป ร, รินิพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมานถุนอารัธนายอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตอบมารผู้มีบาปดังนี้ว่ามารผู้มีบาปท่านจงอย่า ก, กังวลเลยอีกไม่นานการป ร, รินิพานของตถาคตจะมีจับนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะป ร, ะรินิพานทรงปลงพระชนมายุสังขารลงพระชนมายุสังขารหมายถึงสลัดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอายุ คือตกลงพระไทยว่าจะปรินิพพานเวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วนับปาวาละเจดีเมื่อพระองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่าสะเพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้อง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 ลาดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ เหตุปัจจัยแปประการนี้ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคือหนึ่งมหาปัจพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเวลาที่ลมพายุพัดแรงย่อมทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำที่กระเพื่อมย่อมทำให้แผ่นดินไหวตาม 2. สมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์มีความชำนาญทางจิต หรือเทพผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากได้เจริญปฐวีสัญญานิดหน่อยแต่เจริญอาโปสัญญาจนหาประมาณมิได้จึงทําให้แผ่นดินนิวัยสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น 3. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตสเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดา 4. ี่คราวที่พระโพธิสัตว์ มีสติสัมปชัญญะประสูติจาพระคันของพระมารดา 5. ้าคราวที่ตถาคตตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 6. คราวที่ตถาคตประกาศธรรมจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไป 7. จ็ดคราวที่ตถาคตมีสติสัมปชัญญะลงอายุสังขาร 8. ปดคราวที่ตถาคตประริณิพาน โดยอนุ ป, ปาทิเสสนิพานธาตุอนนท์เหตุปัจจัยแปดประการนี้แหลที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบริษัทแปดจำพวกอานนท์ภิกษุแปดจำพวกนี้คือจำพวกไหนบ้างหนึ่งติยะบริษัทชุมนุมกษัตร์ สรามณะบริษัทชุมนุมพรามสามขหบดีบริษัทชุมนุมขหบดี 4. สมณบบริษัทชุมนุมสมณะ 5. จาตุมหาราชบริษัทชุมนุมเทพชั้นจาตุมมหาราช 6. ดาวดึงสบริษัทชุมนุมเทพชั้นดาวดึงเจ็มาระบริษัท ชุมนุมมาน8ปรมบบริษัทชุมนุมพรม้อมอานนท์เราจำได้ว่าเคยเข้าไปหาเราบริษัทแปดจำพวกนั้นหลายร้อยครั้งทั้งเคยนั่งพูดคุยและสนทนากับบริษัทแปดจพวกนั้นบริษัทเหล่านั้นมีวั น, นะเช่นใดเราก็มีวั น, นะเช่นนั้นมีเสียงใดเราก็มีเสียงเช่นนั้น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 อ น, นุนบริษัทแปดจำพวกนี้แหลอภิพายตนะแต่ประการอาภิพายตนะหมายถึงเหตุครอบงำเหตุที่มีอิทธิพลได้แก่ยานหรือฌานที่เป็นเหตุครอบงำนิวรณห้าและอารมณ์ทั้งหลายคำนี้มาจากอภิภูบวกอายตนะที่ชื่อว่าอภิภู เราะครอบงามอารมณ์และที่ชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่เกิดความสุขอันวิเศษแก่พระโยคีทั้งหลายเพราะเป็นมนายตนะและธรรมายตนะอา น, นุนอภิพายตนะแปประการนี้คืออะไรบ้างหนึ่งบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายใน หมายถึงจำได้หมายรู้รูปภายในโดยการบริกา ร, รมรูปภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 2. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดี ครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 3. บุคคลหนึ่งมีอรูปประสัญญาภายในหมายถึงเว้นจากสัญญาในบริกรรมในรูปภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นสี่ บุคคลหนึง่งมีอ er, รูปปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้ mm. เราเห็น 5. บุคคลหนึ่งมีอรูปปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที Jord ่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงามรูปเหล่านั้นได้ มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 6. บุคคลหนึ่งมีอรู ป, ปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลือง 7. บุคคลหนึ่งมีอรู ป, ปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดง8บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาว ครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอานน์อภิพัยตนะแปดประการนี้แลวิโมกแปดประการอานน์วิโมกแปดประการนี้คืออะไรบ้าง 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลาย 2. บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก 3. บุคคลผู้น้อมใจไปว่างาม 4. บุคคลบรรลุอากาศานันจายตนะโดยกาหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะลงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กาหนดนานตัสัญญาโดยประการทั้งปวง ห้าบุคคลล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่หกบุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากิญจญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เจ็ด บุคคลล่วงอากินจัญ ญ, ญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญ ญ, ญาญตนะฌานอยู่แปบุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญ ญ, ญาญตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่อานนท์วิโมกแปดประการนี้และทรงเล่าเรื่องมาร อานน์สมัยหนึ่งเมื่อแรกตรัสรู้เราพักอยู่ที่ต้นอัชปาละนิคโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชราที่ตำบลอุรุเวลามารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเรากล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานในบนัดนี้ขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาป ร, รินิพานของพระผู้มีพระภาค เมื่อมารกล่าวอย่างนี้เราตอบว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ไปริ่อยิปานตราบเท่าที่ภิกษุภิกษุณีสาวกสาวิกาทั้งหลายของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนําไม่กล้ากล้าไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ยังบอกแสดงบัญญัติ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 อานนวันนี้เมื่อกี้นี้เองมารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเราที่ปาวาละเจดีได้มาทวงสัญญาว่าทุกอย่างเป็นอย่างที่เราได้ตรัสไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปริณิพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปริณิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปริณิพานของพระผู้มีพระภาคอานน เมื่อมานบอกอย่างนี้เราได้ตอบมานผู้มีบาปดังนี้ว่ามานผู้มีบาปท่านจงอย่า ก, กังวลเลยอีกไม่นานการประเนิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะประเนิพานอาณ น, นวันนี้เมื่อกี้นี้เองเรามีสติสัมปชัญญะดีลงอายุสังขารนนะปาวาและเจดี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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยอา n น o น์อย่ามาวิงวอนตถาคตเลยบัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะวิงวอนตถาคตแม้ครั้งที่สองท่านพระอาน o ์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้แม้ครั้งที่สามท่านพระอาน o น์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าอาน o น์ เธอเชื่อความตรัสรู้ของตถาคตหรือท่านพระอานนทูลตอบว่าเชื่อพระพุทธเจ้าค่าก็เมื่อเธอเชื่อชะไหน ย, ยังแค้นไรตถาคตถึงสามครั้งเล่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอิทธิบาสีผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทําให้มากแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวัง พึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอเชื่อหรืออนนท์เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหตุนี้แลออนนท์เรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอเมื่อตถาคตทํานิมิตที่ชัดแจ้งทาโอภาที่ชัดแจ้งแม้อย่างนี้เธอก็ไม่อาจจะรู้ทัน จึงไม่วิงวอรตถาคตถ้าเธอวิงวอรตถาคตตถาคตจะห้ามเธอเพียงสองครั้งพอครั้งที่สามตถาคตจะรับนิมนต์เหตุนี้แหละเรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอที่ตรัสว่าเรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเป็นความผิดของเธอไม่ใช่ตรัสเพื่อจะทรงตำหนิ ต, ตรัสเพื่อเป็นเหตุบรรเทาความเศร้าโศกของพระอานนุ์พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสเล่าเรื่องผ่านมาว่าทรงแสดงธรรมนิมิตที่ชัดแจ้งให้พระอานนุ์ได้รู้หลายครั้งเพื่อจะได้ทูลอาราธนาขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีกอยู่ตลอดกับซึ่งทรงแสดงนิมิตให้รู้ชัดที่ภูเขาคิดจกูดที่โคตมะนิโครธที่เหวทิ้งโจร ที่รามสัตบัญญข้างภูเขาเวภาระที่กาลศิลาข้างภูเขาอีสิคิลิที่เงื้อมสัพปโซนทิกะในศีตะวันที่ตะโปทารามที่เวรุวันที่ชีวกรรมพวันที่มัธกุฎิมลึกขัยาวันที่อุเทนเจดีโคตมะกะเจดีเมื่อตถาคตทำนิมิตที่ชัดแจ้งทำโอภาที่ชัดแจ้งไม้อย่างนี้ เธอก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดํารงประชนชีพยอยู่ตลอดกับถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจะห้ามเธอเพียงสองครั้งพอครั้งที่สามตถาคตจะรับนิมนต์เหตุนั้นแหละอานนท์เรื่องนี้จึงเป็นความบกกร้องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธออานนท์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 ขอสิ่งนั้นจงอย่าแตกสลายไปเลยตถาคตสละคลายปล่อยละวางสิ่งนั้นได้แล้วลงอายุสังฆานแล้ววาจาที่ตถาคตกล่าวไว้ว่าอีกไม่นานการประร้นนิพพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะป ร, ะริ้นนิพพานเป็นวาจาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ ที่ตถาคตจะกลับคืนคำเพราะต้องการมีอายุอยู่ต่อไปมาเถิดอานน์เราจะเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันกันลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมเวญท่านพระอานน์สเสด็จเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันแล้วจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานน์ให้ไปนิมนต์ภิกษุเท่าที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลี มาประชุมกันณหอฉันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปณหอฉันรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเธอทั้งหลายพึงเรียนเสพเจริญทำให้มากด้วยดีด้วยวิธีที่ปรมจันนี้จะพึงตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นาน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 การปรินิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสัสสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่โง่ฉลาดมั่งมีและยากจนล้วนต้องตาย ชีวิตของสัตว์เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างมอปันแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้างสุขบ้างดิบบ้างซึ่งล้วนมีความแตกสลายเป็นที่สุดพระสุคตสัสดาได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่งอมชีวิตของเราเหลือน้อยเราจะจากพวกเธอไป เราทาที่พึ่งแก่ตนแล้วพวกเธอจงอย่าประมาทมีสติมีศีลบริสุทธิ์มีความดําริมั่นคงดีรักษาจิตของตนไว้ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ละ ก, การเวียนไหวตายเกิดแล้วจะทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ครั้นในเวลาเช้าราผู้มีพระภาค ทรงครองอัตรราสาวกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินทบาตเมื่อเสด็จกลับจากบินทบาตภายหลังเสเวยพระกระยาหารเสร็จแล้วทรงทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมองหมายถึงทรงหันพระองค์กลับหลังอย่างที่พญาช้างมองคือพญาช้างไม่อาจจะเยี่ยวคอมองข้างหลังต้องหันกลับทั้งตัวชันใด พระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นเราะพระอัถิการประสอเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีข้อต่อจึงไม่อาจจะเอี่ยวพระสอมองข้างหลังได้แต่จะไม่เหมือนกับช้างมองเพราะมีพุทธานุภาพจึงทำให้แผ่นดินนี้หมุนไปเหมือนกับแป้นโดยทำพระผู้มีพระภาคให้มีหน้าตรงตอกรุงเวสาลี พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระ อ, อนนท์มาตรัสว่า อ, อนนท์การเห็นกรุงเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคตมาเถิด อ, อนนท์เราจะเข้าไปยังพันทุกคามกันพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่เสด็จถึงพันทุคามประทับอยู่ที่พันทุค ข, ขามนั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมะสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวไร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสิล 2. องเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ 3. เพราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาส เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตตภิกษุทั้งหลายเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตตเราและเธอทั้งหลายถอนภาวะตัณหาได้แล้วภาวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสัสดา ได้ตรัสเวยยกัรณะาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาและวิมุตยอันยอดเยี่ยมธรรมะเหล่านี้พระโคดมผู้มียศตรัสสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาทรงธรรมที่สุดแห่งทุก มีพระจักรสุบาินิพพานแล้วมหาประเทศสี่ประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในพันทุ ค, คามต่อมาจึงเสด็จไปยังหัตถีคามเสด็จไปยังอัมพะคามเสด็จไปยังชางภูคามเสด็จไปยังโพคานครตามลำดับ เมื่อพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่เสด็จถึงโพคานครประทับอยู่ที่อนันทเจดีในโพคานครรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศสี่ประการ น, นี้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า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 ในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นพระเทระอยู่จำนวนมากเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีหมายถึงนิกายห้าคือทีฆานิกายมาชิมานิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและขุตกะนิกายทรงธรรมะหมายถึงพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกทรงวิไนหมายถึงพระวิันปิฎกทรงมาติกาหมายถึงมาติกาสอง คือภิกขุวิพังและภิกุณีวิพัง 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาว่าชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทละพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทละพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้มิใช่พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และพระเทรรรูปนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งเสียถ้าบทละพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้เป็นพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพระเทรรรูปนั้นรับมาด้วยดีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศสีประการ น, นี้แหล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 พระผู้มีพระภาคส่งทีแจงให้แนวจุนทกกรรมระบุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติรับใจให้อานหานกล้าๆปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นแนจุนทกกรรมระบุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัฒนาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีครั้นราตรีนั้นผ่านไปนายจนุนทะกรมารบุตรได้เตรียมของคบฉันอันประณีตและสุกร r a ัถวะจำนวนเพียงพอไว้นในนิเวศของตนให้คนไปกราบทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าได้เวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่าสำหรับคาว่าสุก a ัถวะ ความหมายตามมติของเกจิอาจารย์สามพวกคือ 1. หมายถึงประวัติตำบังสะเนื้อสุกรนม่ม 2. หมายถึงข้าวสุกอ่อนที่ปรุงด้วยนมสดนมส้มเนยใสเปเรียงเหนยแข็งและถัว่ว 3. หมายถึงวิธีปรุงอาหารชนิดหนึ่งตอนเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจนาุนทกรรมรบุตร ประทับนั่งบนพุทธอาทิปูราดไว้แล้วรับสั่งเรียกนายจุนทกรรมระบุตรมาตรัสว่าจุนท ะ, นน ท, ะท่านจงประเคนสุกรามัทวะที่เตรียมไว้แก่เราประเคนของขบชั้นอย่างอื่นที่เตรียมไว้แก่ภิกษุสงฆ์เขาทูลรับสนองพระดำรัสครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกนายจุนทกรรมระบุตรมาตรัสว่าจุนท ะ, นนทะสุกรามัทวะที่เหลือ เธอจงฝังลงในหลุมเรายังไม่เห็นใครในโลกพร้อมเทวโลกมารโลกรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาหรือมนุษย์ที่บริโภคสุกมธวะนั้นแล้วจะย่อยได้ด้วยดีนอกจากตถาคตนายจุนทักษกมารบุตรทุนรับสนองพระดำรัสแล้วฝังสุกมธวะที่เหลือลงในหลุม แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ในายจุนทักรกรมารบุตรเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อานหารกล้าๆปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกะถาแล้วทรงลุกจากพุทธาสดเด็จจากไป หลังจากพระผู้มีพระภาคเสวยพระกรยาหารของนายจุนทะกรมรมระบุตรได้เกิดอาการพระประชวนอย่างรุนแรงหลงพระบางคนหนักเป็นโลหิตข้อนี้หมายถึงโรคที่ถ่ายเป็นเลือดตลอดเวลาทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพานพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาเหล่านั้นไว้ไม่พรั่นพึง รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังกรุงกุสินารากันต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแวะลงข้างทางเสด็จเข้าไปยังควงไม้ต้นหนึ่งรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยปูสังคติซ้อนกันสี่ชั้นเราเหน็ดเหนื่อยจะนั่งพัก ท่านพระอนุนทุนรับสนองพระดำรัสพระผู้มีพระภาคประทับบนอาสนะที่ท่านพระอนุ์ปูละถวายไว้รับสั่งเรียกท่านพระอนุ์มาตรัสว่าอนนต์เธอช่วยไปนำน้ำดื่มมาเรากระหายจะดื่มน้ำเมื่อพระผู้มีพระภาครับสั่งอย่างนี้ท่านพระอนนุ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนประมาณห้าร้อยเล่ม เพิ่งข้ามไปเมื่อกี้นี้น้ํานั้นมีน้อยถูกล้อเกวียนย่ําจนขุนเป็นตมไหลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้ำกากุธาอยู่ไม่ไกลแค่นี้เองมีน้ําใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบหน้าเรื่นรมขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทรงดื่มและส่งสนานพระวรากายในแม่น้ำกากุทานี้เถิด แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเช่นเดิมพระอานุ์ก็ทูลตอบเช่นเดิมแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งอีกครั้งท่านพระอานุ์จึงทูลรับสนองพระดํารัสแล้วถือบาตรเดินเข้าไปยังลำธาร น, นั้นขณะนั้นลำธาร น, นั้นมีน้ำน้อยถูกล้อเกวียนย่าจนขุนเป็นตมไหลไปแต่เมื่อท่านพระอนุ์เข้าไปใกล้ ก็กลับใสสะอาดไม่ขุนไหลไปท่านพระอานุ์จึงคิดว่าน่าอาัศจริงประตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำธาร น, นี้ถูกล้อเกวียนย่าขุนเป็นตมไหลไปเมื่อเราเข้ามาใกล้ก็กลับใสสะอาดจึงใช้บาทตักน้ำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงความอัศจรรย์นั้นแล้วกล่าวว่า ขอพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำเถิดขอพระสุคตทรงดื่มน้ำเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำนั้นเรื่องปุกุสะมัลระบุตรขณะนั้นเจ้าปุกุสะประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าเพชรพลอยซึ่งถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของพวกเจ้ามัลละ สมัยนั้นโอรสเจ้ามันละพระนามว่าปุกกุสะเป็นสาวกของอาราละดาบทการามโคดเดินทางไกลจากกรุงกุสินาราไปกรุงปาวาเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กวงไม้ต้นหนึ่งครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นาอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบรรพชิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องมีอยู่ว่าอาราระดาบทกาลามโคดเดินทางไกลแวะลงข้างทางที่กวงไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลเวลานั้นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มได้ผ่านท่านอาราระดาบทกาลามโค ต, ต, ติติดกันไปขณะนั้นบุรุษคนหนึ่ง กำลังเดินตามหลังหมู่เกวียนมาเข้าไปหาท่านอาลาระดาบทกะลามโคถึงที่อยู่แล้วได้ถามท่านอาลาระดาบทดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านเห็นเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปบ้างหรือไม่ท่านอาลาระดาบทตอบว่าเราไม่เห็นเลยผู้มีอายุท่านได้ยินเสียงหรือไม่เราไม่ได้ยินผู้มีอายุท่านคงหลับกระมังเราไม่ได้หลับผู้มีอายุ ท่านยังมีสัญญาอยู่หรือเรายังมีอยู่ผู้มีอายุท่านยังมีสัญญาตื่นอยู่แต่ไม่ได้เห็นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดติดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงก็ผ้าท่าของท่านเประเปื้อนฝุ่นทุลีบ้างไหมเป็นอย่างนั้นผู้มีอายุบุรุษนั้นมีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญณนะศาจาสยจจริงไม่เคยปรากฏบรรพชิตทั้งหลาย ย่อมอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งดังที่ท่านลาระดาบทผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่แต่ไม่เห็นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดติดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงเขาประกาศความเลื่อมใสอย่างยิ่งในท่านลาระดาบทกลามโคตแล้วจากไปพระผู้มีพระภาตรถามปุกุสะว่าปุกุสะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร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 คราวหนึ่งเราพักอยู่ที่โรงกระเดื่องเขตกรุงอัตุมาเวลานั้นฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าและฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองคนพี่น้องและโคงานสี่ตัวถูกฟ้าผ่าใกล้โรงกระเดื่องขณะนั้นหมู่มหาชนในกรุงอาตุมาออกไปมุงดูชาวนาสองคนพี่น้องและโคงานสี่ตัวที่ถูกฟ้าผ่าเราออกจากโรงกระเดื่อง จงกรมอยู่ที่กลางแจ้งใกล้ประตูโรงกระเดืองบุรุษคนหนึ่งออกมาจากหมู่มหาชนเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ได้ไหว้เรายืนณที่สมควรได้ถามบุรุษนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุหมู่มหาชนนั่นชุมนุมกันทำไมบุรุษนั้นตอบว่าข้าแต่พระองค์บุทธเจริญเดี๋ยวนี้เองขณะที่ฝนกำลังตกตกอย่างหนัก ฟ้าและฟ้า่าอยู่ชาวนาสองคนพี่น้องและโค ง, งานสี่ตัวถูกฟ้า่าหมู่มหาชนชุมลุมกันเพราะเหตุนี้ท่านไปอยู่เสะที่ไหนเล่าเราตอบว่าเราก็อยู่ที่นี้แหละบุรุษนั้นถามว่าท่านเห็นอยู่หรือไม่เราตอบว่าเราไม่เห็นเลยผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านได้ยินเสียงหรือไม่เราตอบว่าเราไม่ได้ยินผู้มีอายุ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 บรรพชิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งดังที่ท่านสมณะผู้ยังมีสัญญาเตืนอยู่เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟา้าผ่าอยู่ก็ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงเลยเขาประกาศความเลื่อมใสอย่างยิ่งในเรากระทาประทักสินแล้วจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปกกุศลบรบุตร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโปรยความเลื่อมใสที่มีในอาลาระดาบทกลามโคดไปตามกระแสลมที่พัดแรงหรือลอยในแม่น้ำกระแสเชี่ยวพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพรเราะยิ่งนักทูลสรรเสริญพระภาสิทธิและประกาศตัวเป็นอุบาสกแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิต ลำดับนั้นปุกกุศะมัลลาบุตรรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าเธอช่วยนําผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่หนึ่งสองผืนมาหาเราบุรุษนั้นรับคําแล้วนําคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นั้นมาให้จากนั้นปุกกุสะมัลลาบุตรได้น้อมคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นั้นเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคร้องกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ผ้านั้นปรากฏสีเปล่งปลั่งเหมือนฐานไปที่ปราศจากเลวครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญณาอจจัจรริงไม่เคยปรากฏพระชวีวันของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นี้พอข้าพระองค์น้อมเข้าไปกลุ่มพระวรกายของพระผู้มีพระภาคปรากฏสีเปล่งปลัง่ง เหมือนฐ่านไฟที่ปราศจากเปลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพนธุ์ปุดพองอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวสองคราวนั้นอะไรบ้างคือหนึ่งในราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 2. ในราตรีที่ตถาคต บริณิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอานน์กายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพันุ์ผุดพองอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวนี้แหลในปัจฉิ ม, มายามแห่งราตรีวันนี้ตถาคตจะบรินิพานในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ในสาลวันของมันละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารามาเถิดอานน์ เราจะเข้าไปยังแม่น้ำกากุทากันท่านพระอานนทุนรับสนองพระดำรัสต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่เสด็จเข้าไปยังแม่น้ำกากุทาเสด็จลงสงในแม่น้ำกากุทาทรงดื่มแล้วเสด็จขึ้นไปยังอัมพวันรับสั่งเรียกท่านพระจุนทกะมาตรัสว่าจุนทกะเธอช่วยปูสังคติซ้อนกันสีชั้น เราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักท่านพระจุนท ก, กะทูลรับสนองพระดำรัสแลปูสังคติซ้อนกันสี่ชั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหาสยยาหมายถึงการนอนอย่างราชสีนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกาหนดใจถึงการลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหาสยยา โดยพระราทเบื้องขวาทรงสอนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะทรงกำหนดพระไทยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้นส่วนท่านพระจุนท ก, กะนั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคในที่นั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานอนท์มาตรัสว่าอานอนท์อาจมีใครทาให้หนายจุนทะกำมารบุตรร้อนใจว่าจุนทะ การที่ประตถ า, าคตสวยบิณทบาตของท่านเป็นมือสุดท้ายและบริสินิพพานท่านจะไม่ได้อนิสงส์ความดีงามก็จะได้โดยยากอานน์เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของนายจุนทะกามารบุตรอย่างนี้ว่าผู้มีอายุจุนทะการที่ประตถาคตสวยบิณทบาตของท่านเป็นมือสุดท้ายและบริสินิพพานท่านจะได้รับอนิสงส์ความดีงามก็จะได้โดยง่าย เรื่องนี้เราได้สดับรับมาเฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคและจำได้ว่าบินทบาทสองคราวมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่ามีอนิสงฆ์มากกว่ายิ่งกว่าบินทบาทอื่นๆบินทบาทสองคราวอะไรบ้างคือหนึ่งบินทบาทที่พระตถาคตเสวยแล้วตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 2. บินทบาทที่พระตถาคตเสวยแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุบินทบาทสองคราวนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่ามีอนิสงฆ์มากกว่ายิ่งกว่าบินทบาทอื่นๆกรรที่จุนทะก ร, รมารบุตรสั่งสมไว้เป็นไปเพื่ออายุเป็นไปเพื่อวันนะเป็นไปเพื่อสุ ข, ขะ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 ย่อมละกําชั่วได้ผู้นั้นดับได้แล้วเพราะสิ้นราคะโทสะและโมห ะ, สะเสด็จไปยังควงไม้สาระทั้งคู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่สเสด็จไปยังฝั่งโนนแห่งแม่น้ำฮิรัญยวดีตรงสารวันของพวกเจ้ามันละ อันเป็นทางเข้ากลุงมกุศินาลาแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยตั้งเตียงระหว่างต้นสาระทั้งคู่หันด้านศีรษะไปทางทิศเหนือเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักเตียงในที่นี้หมายถึงเตียงสาหรับพักผ่อนของพวกเจ้ามันละที่มีอยู่ในสารวันนั่นเองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสาเร็จศีหายา โดยพระรัทเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะเวลานั้นต้นสาระทั้งคู่ปลิดอกนอกฤดูการบานสับ่างเต็มต้นดอกสาระเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดอกมวนทารพอันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคต เพื่อบูชาพระตถาคตจรุณแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตโนตรีทิพย์ก็บรนเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตทั้งสังคีตทิพย์ก็บรนเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ดอกสาละที่ออกนอกฤดูการดอกมูลทานอันเป็นทิพย์จรุนแห่งจันอันเป็นทิพย์ดนตรีทิพย์และสั่งคีตทิพย์ที่โปรยปลายและเกิดขึ้นเพื่อบูชาตถาคตตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัทธสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม ด้วยเครื่องสักการ ะ, ระเพียงเท่านี้ก็หาไม่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยการบูชายอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นอาน o น์เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่อนนท์เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหลการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงการปฏิบัติหลักเบื้องต้นมีศีลเป็นต้นให้สอดคล้องกับโลกุตระธรรมปฏิบัติชอบหมายถึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองปฏิบัติตามธรรม หมายถึงการประพืิหลักเบื้องต้นให้สมบูรณ์แก่นของเรื่องนี้ก็คือพระองค์ทรงตรัสยืนยันว่าการบูชาด้วยสิ่งของและการบูชาใดก็ตามก็ไม่เท่าการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระองค์เรื่องพระอุปวานะเทระเวลานั้นท่านพระอุปวานะ ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ตรงพระภักขณะนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งท่านพระอุปวานะให้ถอยไปท่านพระอนุนมีความดำริดังนี้ว่าท่านพระอุปวานะนี้เคยเป็นอุปถาคเฝ้าใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมานานถึงกระนั้นในปัจฉิมการพระผู้มีพระภาคตรัสสั่งให้ท่านพระอุปปวานะถอยไป อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาครับสั่งเช่นนี้จึงได้ทูลถามต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอา น, นุนเทพโดยมากในสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อจะเยี่ยมตถาคตสวนสารวัลของพวกเจ้ามันละอันเป็นทางเข้ากลุ่มกุศินารานี้มีเนื้อที่ส2บสองโยชน์ทีที่พวกเทพผู้มีศัก์ใหญ่ไม่ได้เบียดเสียดกัน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 ทำให้พวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคตในปัจฉิ ม, มการท่านพระอานุนทูลถามว่าพวกเทวดาเป็นอย่างไรคิดกันอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอา น, นุ์มีเทวดาบางพวกเป็นพวกกำหนดแผ่นดินขึ้นบนอากาศหมายถึงเนรมิตแผ่นดินขึ้นบนอากาศสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญ หลมกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพอรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานจากสุขของโลกจากด่วนอันตรธานไปแล้วมีเทวดาบางพวกเนรมิตแผ่นดินขึ้นบนแผ่นดินข้อนี้เพราะแผ่นดินปกติหยาบไม่สามารถจะรองรับเทวดาซึ่งมีร่างกายละเอียดได้เทวดาเหล่านั้นร้องไห้คร้าควร ลมกลิ้งเกลือบไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคดว่วนิพพานจากสุขของโลกจากด่วนอันตรธานไปแล้วส่วนพวกเทวดาที่ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหล่าสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขาร น, นี้สังเวชนียสถานสีตำบน ่านพระอาะนานท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในทิศทั้งหลายมาเป้าพระตถ า, าคตข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมได้พบได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจก็มเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้พบไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจอีกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้เป็นสถานที่ศูนย์รวมที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถานสี่แห่งอะไรบ้างคือ 1. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสูทธในที่นี้ 2. ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 3. ตถาคตทรงประกาศธรรมจากอันยอดเยี่ยมในที่นี้ 4. ตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานาธาตุในที่นี้อานนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาจะมาดูด้วยระลึกว่า สถานโคตประสูตในที่นี้ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาในที่นี้ประกาศธรรมจักอันยอดเยี่ยมในที่นี้สเสด็จดับคันทัปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิานาพานนาตในที่นี้อานน์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะาริกไปยังเจดียจะมีจิตเลื่อมใสตายไปชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เรื่องคำถามพระอานนท่านพระอนุนทูลถามว่าพวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าดูเมื่อจําเป็นต้องดูจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าอย่าพูดด้วยเมื่อจําต้องพูดด้วยจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าต้องตั้งสติไว ตั้งสติในที่นี้หมายถึงการควบคุมจิตให้คิดต่อสตรีในทางที่ดีงามเช่นรู้สึกว่าเป็นแม่ในสตรีที่อยู่ในวัยแม่รู้สึกว่าเป็นพี่สาวน้องสาวในสตรีที่อยู่ในวัยพี่สาวน้องสาวรู้สึกว่าเป็นลูกสาวในสตรีที่อยู่ในวัยสาวท่านพระอ น, น์ทูลถามว่า พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาสรีระของตถาคตจงพยายามขวนขวายทำหน้าที่ของตนเองเถิดอย่าประมาทในหน้าที่ของตนมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตรามผู้เป็นบัณฑิตขหบดีผู้เป็นบัณฑิต ผู้เลื่อมใสในตถาคตจะทำการบูชาสรีระของตถาคตเองท่านพระอนุน์ชุนถามว่าพวกเขาพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละ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 แล้วอัญเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนและถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจักพรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักพรพรรดิไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งอานน์พวกเขาปฏิบตัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักพรพรรดิอย่างนี้แลพวกเขาพึงปฏิบัติ ต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจูรนจักอภิวาดหรือจักทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นการกระทานั้นจักเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาล ถูปารหาบุคคลอานอน์ถูปารหาบุคคลหมายถึงผู้ควรสร้างสถูวปถวายสี่จำพวกนี้ถูปารหาบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระปัจเจ ก, กสัมพุทธเจ้า 3. พระสาวกของพระตถาคต 4. พระเจ้าจากกักรพรรดิทั้งหมดถือเป็นถูปรารหาบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์คือชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่านี้เป็นสถูปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นสถูปของพระปเจกสัมพุทธเจ้านี้เป็นสถูปของพระสาวกของพระตถาคตนี้เป็นสถูปของพระเจ้าจากกักรพรรดิพวกเขาทาจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระสาวกของพระตถาคตพระเจ้าจากกักรพัฒนเป็นถูปาราหาบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แหลเรื่องความเป็นอจฉริยะของพระอานนท์เวลานั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปสู่พระวิหารยืนเหนียวไม้สลักเพชรร้องไห้อยู่ว่าเรายังเป็นเสขาบุคคลมีกิจที่จะต้องทำซึ่งขณะนั้นท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ยังไม่สำเร็จอรหันจึงชื่อว่าเสขาบุคคลมีกิจที่ต้องทำต่อจนกว่าจะบรรลุอรหันเรายังเป็นเสขาบุคคลมีกิจที่จะต้องทำแต่พระสัสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เรา จะไปริณนิพานเสียแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามถึงพระอานนท์และตรัสเรียกภิกษุให้ไปบอกว่ามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อพระอนนท์เขาเ้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยเราบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความลัดราก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 ด้วยเมตตากายกรรมอันเกือ้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณด้วยเมตตาวจีกรรมด้วยเมตตามโนกรรมอันเกือ้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณอานน์เธอได้ทำบุญไว้แล้วจงประกอบความเพียรเข้าเถิดเธอจะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยเร็วจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการและในอนาค ต, ตการที่จัดว่าเป็นอุปถากผู้ยอดเยี่ยมก็เหมือนอานนนของเรานี้เองอานนนเป็นบัณฑิตอานนนมีปัญญาหลักแหลมย่อมรู้ว่านี้เป็นเวลาของภิกษุที่จะเข้าเฝ้าพระตถาคตนี้เป็นเวลาของภิกษุณีนี้เป็นเวลาของอุบาสก นี้เป็นเวลาของอุบาสิกานี้เป็นเวลาของพระราชาของราชมหาอัมมาตของเดรัจฐีภิกษุทั้งหลายความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสประการ น, นี้มีอยู่ในอานน์คือถ้าภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทเข้าพบอานน์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดี ถ้าอาน o ์แสดงธรรมในบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีบริษัททั้งหลายยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออาน o ์หยุดแสดงภิกษุทั้งหลายความเป็นอัจริยะไม่เคยปรากฏสีประการนี้มีอยู่ในพระเจ้าจักรพรรดิคือถ้าขาติยบริษัทถ้าพรหมณบริษัทถ้าข้หาบดีบริษัทถ้าสมณะบริษัทถ้าแต่ละบริษัท เข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดีถ้าพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระราชปฏิสันฐานในแต่ละบริษัทนั้นแม้เพียงมีพระราชปฏิสันฐานก็มีใจยินดีแต่ละบริษัทนั้นยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิทรงนิ่งภิกษุทั้งหลายความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสประการ น, นี้แลมีอยู่ในพระเจ้าจากักรพรรดิภิกษุทั้งหลาย ความเป็นอัจริยะไม่เคยปรากฏสี่ประการมีอยู่ในอานนท์ก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงแสดงมหาสุทัศนสูตรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอย่าได้ป ร, รินณิพานในเมืองเล็กเมืองดอนเมืองกิ่งเช่นนี้ เมืองใหญ่เหล่าอื่นยังมีอยู่เช่นกรุงจำปากรุงราชครืกรุงสาวัตถีเมืองสาเกตกรุงโกสัมพีกรุงพารานสีขอพระผู้มีพระภาคโปรดนิพพานในเมืองเหล่านี้เถิดคติยะมหาศาลรามหาศาลกหบุีมหาศาลผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะทาการบูชา พระสารีระของพระตถาคตคติยมหาสารพรามณะมหาสารคําว่ามหาสารหมายถึงผู้มีทรัพย์มากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธ อ, อย่ากล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นว่ากุศินาราเป็นเมืองเล็กเมืองดอนเมืองกิ่งอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะ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 กรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองมีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นเศรษฐกิจดีเหมือนกับกรุงอาละกกามันธาซึ่งเป็นราชธานีของทวยเทพที่เจริญรุ่งเรืองมีประชากรมากมียักษ์หนาแน่นเศรษฐกิจดีอาโนนกรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่อึ ก, กทึกคลึกโครมเพราะเสียงสิบชนิดทั้งวันทั้งคืน ได้แก่เสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงประโคมดนตรีและเสียงว่าท่านทั้งหลายโปรดบริโภคดื่มเคี้ยวกินไปเถิดอานนท์เธอจงเข้าไปกรุงกุศินาราแจ้งแก่เจ้ามัลละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุศินาราว่าวาเสถะทั้งหลายพระตถาคตจะปรินิพาน ในปัจฉิมเมยามแห่งราตรีวันนี้ท่านทั้งหลายจงรีบออกไปจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระตถาคตบริณิพนในเขตบ้านเมืองของพวกเราพวกเรากลับไม่ได้เข้าเฝ้าพระตถาคตเป็นครั้งสุดท้ายท่านพระอนุนทุนรับสนองพระดำรัสแล้วกรองอันตรส า, าวกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังกรุงกุสินาราเพียงผู้เดียว ขณะนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินารากําลังประชุมกันอยู่ที่สันถาคารด้วยราชกิจบางอย่างท่านพระอาหนุนเข้าไปที่สันถาคารของพวกเจ้ามันละถวายพระพรเรื่องพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในปัจฉิ ม, มยามแห่งราตรีวันนี้พวกเจ้ามันละโอรสสุนิสาและประชาบดีของพวกเจ้ามันละพอสดับคําของท่านพระอานนุ์ทรงเศร้าเสียพระไทย เปลี่ยนไปด้วยโทมนัสบางพวกกันแสงคร่ำครวนล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดทรงเพลิรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิ พ, พานจากสุขของโลกจักด่วนอันตรธานไปจากนั้นจึงพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าครั้งนั้นท่านพระอานนอนคิดดังนี้ว่าถ้าเราจะให้เจ้ามันละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุศินารา ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทีละองค์ทีละองค์จะถวายอภิวาทไม่ทั่วกันราตรีจะสว่างก่อนทางที่ดีเราควรให้ได้ถวายอภิวาทตามลำดับตระกูลแล้วจึงจัดให้เจ้ามันละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุศลนาราถวายอภิวาทตามลำดับตระกูลด้วยวิธีนี้ท่านพระอานนุ์สามารถจัดให้เจ้ามันละทั้งหลายถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาค ได้เสร็จช่วเวลาปฐมัมยามเท่านั้นเรื่องสุพัท ธ, ธะริพาชกสมัยนั้นสุพัท ธ, ธะปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงกุสินาราได้ทราบว่าพระสมณะโคโดมจะปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้เขาคิดดังนี้ว่าเราได้ฟังคำของพวกปริพาชกผู้แก่ผู้เฒ่า ผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาอาจารย์พูดกันว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นในโลกเป็นครั้งคราวพระสมณโคดมจะปรินิพานในปัจฉิ ม, มายามแห่งราตรีวันนี้ก็เรายังมีความสงสัยอยู่เราเลื่อมใสท่านพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมจะแสดงธรรมให้เราละความสงสัยนี้ได้ จึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ที่สารวันขอโ อ, อกาสให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระสมณโคดมท่านพระอานนท์ตอบว่าอย่าเลยสุพัทธะผู้มีอายุท่านอย่ารบกวนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อยแม้ครั้งที่สองสุพัทธะปริพาชกก็ยืนยันจะขอเข้าเฝ้าแม้ครั้งที่สสุพัทธะปริพาชกก็กล่าวขอเข้าเฝ้าเช่นเดิม พระผู้มีพระภาคทรงได้ยินถ้อยคำของท่านพระอนุนเจรจากับสุพัท ธ, ธาปริพาชกจึงรับสั่งเรียกท่านพระอนุ์มาตรัสว่าอย่าห้ามสุพัท ธ, ธ์เลยอนุ์ให้สุภัท ธ, ธ์เข้ามาหาตถาคตเขาจะถามปัญหาบางอย่างกับเราเขาจะถามเพื่อหวังความรู้เท่านั้นไม่หวังรบ ก, กวนเราอันหนึ่งเมื่อเราตอบสิ่งที่ถามเขาจะรู้ได้ทันที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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสุพัทธะอย่าเลยเรื่องที่เธอถามว่าเจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่รู้ตามที่ตนกล่าวอ้างอย่าได้สนใจเลยเราจะแสดงธรรมแก่เธอเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าสุพัทะ ในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยามากมีองค์แปดย่อมไม่มีสมณะที่หนึ่งย่อมไม่มีสมณะที่สองย่อมไม่มีสมณะที่สาย่อมไม่มีสมณะที่สสมณะที่หนึ่งหมายถึงพระโสดาบันสมณะที่สองหมายถึงพระสกัทาคามีสมณะที่สหมายถึงพระอนาคามีและสมณะที่สหมายถึงพระอระหรันต ในธรรมวินัยที่มีอริยมรรคมีองค์8ย่อมมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สสุภัทะในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่หนึ่งสองสามและสก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลัตทอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอระหันต์ทั้งหลายสุภัททะเราบวชขณะอายุ29ปีสแสวงหาว่าอะไรคือกุศลเราบวชมาได้ห0ปีกว่ายังไม่มีแม้สมณะที่หนึ่งภายนอกธรรมวินัยนี้ผู้อาจแสดงธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่มีสมณะที่สองที่สและที่สและที่อื่นว่างจากสมณะทั้งหลาย ผู้รู้ทั่วถึงสุพัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอระหันต์ทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบสุพัทธะปริพาชกได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุพัทะ ผู้เคยเป็นอัญญาเดีรทีประสงค์จะบรรญชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาจะให้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อันหนึง่งในเรื่องนี้เราคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสุพัทธาปริภาชกกราบทูลว่าข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาสสี่ปี หลังจากสี่ปีล่วงไปเมื่อภิกษุพอใจก็จงให้บรรญชาจงให้อุปสมบทเป็นภิกษุเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้สุพัทธะบวชท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในขณะนั้นสุพัทธะปริพาชกจึงกล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า ท่านพระอาณน์เป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งท่านให้มอบหมายให้บรรพชาอันเตวาสิกในที่เฉพาะพระพักสำหรับเนื้อหานี้หมายถึงการที่อาจารย์แต่งตั้งสิทธิในสำนักให้บวชลูกศิษย์แทนตนซึ่งเป็นจารีตของลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาถือเป็นเกียรติยศที่ใครๆก็อยากได้สุภัต ถือตามจ่ารีดนี้จึงกล่าวยกย่องท่านพระอาหน์เมื่อทันสุภาาัฏทะได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้เป็นสักขิสาวกองค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคสักขิสาวกแปลว่าพระสาวกที่ทันเห็นองค์พระพุทธเจ้ามีสามพวก คือหผู้บรรพชาอุปสมบทเรียนกรรมฐานบรรลุอรหัตตผลเมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่ 2. ผู้ได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ต่อมาได้เร ja. ียนกรรมฐานและบรรลุอรหัตตผล 3. ผู้ได้เรียนกรรมฐานเมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่พระสุภัตทะ จัดอยู่ในพวกที่หนึ่งพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคตต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์บางทีพวกเธออาจจะคิดว่าป่าพฤษมีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายหลังจากเราล่วงลับไปก็จะเป็นศัสดาของเธอทั้งหลายอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปภิกษุไม่ควรเรียกกันและกันด้วยวาทะว่าอาวุโสอาวุโสแปล ว, ว่าผู้มีอายุเดิมใช้เป็นคําเรียกกันเป็นสามัญคือภิกษุผู้แก่กว่า ใช้เรียกภิกษุผู้อ่อนกวา่าหรือภิกษุผู้อ่อนกวา่าใช้เรียกภิกษุผู้แก่กว่าก็ได้อานนเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุไม่ควรเรียกกันละกันด้วยวาทะว่าอาวุโสเหมือนดังที่เรียกกันตอนนี้ภิกษุผู้แก่กวา่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกวา่าโดยชื่อหรือตระกูลดยวาทะว่าอาวุโสก็ได้ ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายสมาก็ได้อนนท์เมื่อเราล่วงลับไปถ้าสงปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็ถอนได้อานน์เมื่อเราล่วงลับไปส ง, สส ง, นน ง, ปสงพึงลงพรหมทันแก่ภิกษุฉันนะ ทัานพระอนนทูนถามว่าพระมทธรเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์ภิกษุช น, นะพึงพูดได้ตามต้องการแต่ภิกษุไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพร่ำสอนเธอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแม้เพียงรูปเดียว พึ่งมีความสงสัยหรือความเคลือบแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มักต์หรือในปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเธอทั้งหลายจงถามเถิดจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระาศาสดายัางอยู่ต่อหน้าเราไม่กล้าทูลถามในที่เฉพาะพระพักเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบ พระผู้มีพระภาคตรัสอีกเป็นครั้งที่สองและตรัสอีกเป็นครั้งที่สามแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่กล้าถามเพราะความเคารพในศาสดาก็ขอให้ภิกษุผู้เป็นเพื่อนบอกความสงสัยแก่ภิกษุผู้เป็นเพื่อนให้ถามก็ได้ ข้อนี้หมายถึงพระองค์จะทรงกล่าวกับภิกษุรูปเดียวภิกษุทั้งหมดได้ฟังแล้วก็จะหายสงสัยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบท่านพระอานุ์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุสงอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุเพียงรูปเดียวก็ไม่มีความสงสัย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 เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคตสำหรับพระพุทธพจน์บทนี้แสดงให้เห็นว่าทรงย่อพุทธโธวาที่ทรงประกาศตลอดเวลา45ปีลงในบทว่าความไม่ประมาทเพียงบทเดียวเรื่องพุทธปริิพาน ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานทรงเข้าตติยะฌานออกจากตติยะฌานทรงเข้าจตุตตะฌานออกจากจตุตตะฌานทรงเข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติส่งเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติส่งเข้านิวาสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวาสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติส่งเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธขณะนั้นท่านพระอานนท์เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะผเจริญ พระผู้มีพระภาคบรรลนิพพานแล้วหรือท่านพระอนุรุท ธ, ธตอบว่าท่านอานนุ์มผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรรลนิพพานส่งเข้าสัญญาเวทายตานิโรธอยู่ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติส่งเข้าเนวะสัญญานาสัญญาญตนาสมาบัติ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติส่งเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติ ar ออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติส่งเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติส่งเข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัตส่งเข้าจตุตถาชานออกจากจตุตถาชาน สรงข้าวตติยชฌานออกจากตติยะฌานสรงข้าวทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานสรงข้าวปฐมฌานออกจากปฐมฌานสรงข้าวทุติยะฌานออกจากทุติยะฌานสรงข้าวตติยชฌานออกจากตติยชฌานสรงข้าวจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้ว ได้เสด็จดับขันธปริณิพานในลำดับถัดมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปริณิพานแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกล่องทิพย์ก็ดังกึกก้องขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธปริณิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปริณีพาน ทาวสหมบดีพรมกล่าวคาถานี้ขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันทัปปรินิพานว่าสัพพสัตจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกประสาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกผู้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงผู้บรรลุพะละธรรมคือทศพ ล, ลยานผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเช่นนี้ก็ยังปรินิพาน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 ท่านพระอนุรุท ธ, ธะกล่าวคถทานี้ขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระไทยมั่นคงผู้คงที่ไม่มีแล้วพระมูนีผู้ไม่หวั่นไหวทรงมุ่งไฝสันติปริณิพานเสียแล้วพระองค์ผู้มีพระไทยไม่หดหูทรงอดกลั้นเวทนาได้มีพระไทยหลุดพ้นแล้ว ดุดดวงประทีปที่เคยโชดช่วงดับไปฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วท่านพระอานุ์กล่าวคาถานี้ขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระอาการอันล้มเลิทุกอย่างปรินิพานแล้วได้เกิดเหตุอัศจรรย์น่ากลัวขนพองสยองกล้า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 เราสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขาร น, นี้ครั้งนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าครั่งครวญเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเคยตรัสสอนไว้ไมิใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมี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 พวกเทวดาเป็นอย่างไรทำใจได้หรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านอานนมีเทวดาบางพวกก็ร้องไห้คร่ำครวญเพอรำพันถึงพระผู้มีพระภาคว่าด่วนปรินิพานเสียแล้วเทวดาบางพวกที่ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเหล่าสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขาร น, นี้ ท่านพระอรุทธะกับท่านพระอานนท์ให้เวลาผ่านไปด้วยการแสดงธรรมมีกถาตลอดคืนยันรุ่งต่อมาท่านพระอรุท ธ, ธะสั่งท่านพระอานนท์ว่าไปเถิดอานนท์ผู้มีอายุท่านจงเข้าไปยังกรุงกุสินาราแจ้งแก่เจ้ามันละทั้งหลายผู้กรองกรุงกุสินาราว่าว่าเศรษฐาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเบรรินิพานแล้ว ขอท่านทั้งหลายจงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดท่านพระอานนุนรับคําแล้วตอนเช้าจึงกรองอัญจราสาวกถือบาตรและจีวรเข้าไปอย่างกรุงกุสินาราเพียงผู้เดียวขณะนั้นพวกเจ้ามันละกําลังประชุมกันอยู่ที่สันถาคารเกี่ยวกับเรื่องป ร, ริญิพานท่านพระอานุนเข้าไปที่สันถาคารของพวกเจ้ามันละแล้วถวายพระพรว่าวาเสถาทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเบรินิพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามัลละโอรสสุนิสาและประชาบดีของพวกเจ้ามัลละพอได้สดับข่าวทรงโศกเสียพระไทยเปลี่ยนไปด้วยโทมนัสทรงกันแสงคร่ำครวนล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดทรงเพอรำพันว่าพระผู้มีพระภาคดวนปริิพาน จากสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วบูชาพระพุทธสรีระลำดับนั้นพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุศินารารับสั่งขราชบริพานว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมของหอมระเบียบดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกอย่างที่มีในกรุงกุศินาราไว้ให้พร้อมแล้วทรงถือเอาของหอมระเบียบดอกไม้ เครื่องดนตรีทุกอย่างและผ้าห้าร้อยคู่เสด็จเข้าไปยังสารวันของพวกเจ้ามันละซึ่งเป็นทางเข้าเมืองตรงไปยังพระพุทธสรีละและทรงสักการะเคารพบูชาพระสารีละของพระผู้มีพระภาพด้วยการป้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมนทนมาลาอาจครบหวันพอถึงวันที่7็ พวกเจ้ามันละดําริว่าเราสักการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคจะอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้ในวันนั้นประมุขเจ้ามันละแปดองค์ส่งสนานพระเสียนแล้วทรงพระภูษาใหม่โดยตั้งพระไยว่า พวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจจะยกขึ้นได้พวกเจ้ามันละจึงตรัสถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยท่านพระอนุรุท ธ, ธะถวายพระพรว่ามหาวพิธมีพระประสงค์อย่างหนึ่งพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ามันละตรัสถามว่า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 ทางทิศตะวันออกของเมืองพวกเจ้ามัลละตรัสว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้าในเวลานั้นทั่วกลุ่มกุสินาราดาราดาดไปด้วยดอกมณฑารบยังต่ำสูงถึงเขา่าพวกเทวดาและพวกเจ้ามัลละพากันสักการะเคารพนบนอ ก, นอกบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาค ด้วยการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์อัญเชิญพระสรีระไปตามทางที่พวกเทวดาต้องการพวกเจ้ามันละได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าจะพึงปฏิบตัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิษ พึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิเนื้อความเหมือนที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้พวกเจ้ามันละจึงรับสั่งข้าราชบริพารให้ปฏิบัติ ต, ตามนั้นทุกประการเรื่องพระมหากัสสปเทระ สมัยนั้นท่านพระมาหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่เดินทางไกลจากกรุงปาวาไปยังกรุงกุสินาราขณะที่ท่านพระมาหากัสสปะแวะลงข้างทางนังที่โคนไม้ต้นหนึ่งพอดีมีอาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑารพบจากกรุงกุสินาราเดินสวนทางจะไปกรุงปาวาท่านพระมาหากัสสปะเห็นอาชีวกนั้นกำลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่า ท่านผู้มีอายุท่านรู้ข่าวพระาศาสดาของพวกเราบ้างไหมเขาตอบว่าเรารู้ข่าวท่านพระสมณโคดมปริณิพานได้เจ็ดวันเข้าวันนี้เราถือดอกมณฑารกบดอกนี้มาจากที่ปรินิพานนั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นผู้ที่ยังมีราคะก็คลั่มคลวนเพอร่มพันส่วนภิกษุผู้ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะ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 สิ่งนี้ควรแก่พวกเธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบัดนี้เราปรารถนาสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นพวกเราไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จักไม่ทาสิ่งนั้นลำดับนั้นท่านพระมาหากัสสปะเรียกภิกษุทั้งหลายมาตักเตือนว่าอย่าเลยท่านผู้มีอายุอย่าเศร้าโศกอย่ากล้าครวญเลยพระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่า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 การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมัยนั้นประมุขเจ้ามาลระศรีองค์ตั้งพระทัยว่าพวกเราจะจุดไฟที่จิตกาธานของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้จึงตรัสถามท่านพระอนุรุท ธ, ธะว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้ท่านพระอนุรุท ธ, ธะถวายพระพรว่า พวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งว่าท่านพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่เดินทางไกลาจากกรุงปาวามายังกรุงกุสินาราจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ลุกโคลงตราบเท่าที่ท่านพระมหากัสสปะยังไม่ได้ถวายอภิวาทพระยุกลบบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพวกเจ้ามันละตรัสว่า ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระกุณเจ้าต่อมาท่านพระมหากษัะเข้าไปยังมะกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามัลละในกลุ่มกุสินาราถึงจิตกาธานของพระผู้มีพระภาคห่มจีวรเฉวงบา่าประนมมือกระทำประทักษิณจิตกาทานสามรอบเปิดผ้า ค, คลุมทางพระบาท ถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียเกล้าวแม่ภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านั้นก็ทำเช่นเดียวกันเมื่อท่านพระมหากัสสปะและภิกษุห้ารอรูปถวายอภิวาสเสร็จจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคได้ติดไฟลุกโผลงขึ้นเองเมื่อพระเพลิงไหม้พระสารีระของพระผู้มีพระภาคพระอวัยวะ คือพระชวีผิวนอกพระจำมะคือหนังพระมังสาคือเนื้อพระหนาหารูคือเอ็นหรือพระละสิกาคือไขข้อหรือไขกระดูกไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏข่าเลยคงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้นเปรียบเหมือนเมื่อไฟไม่เนยใสและน้ำมันก็ไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏขมาฉชั้นใด พระสารีระในที่นี้หมายถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและบรรดาผ้าห้าร้อยคู่นั้นมีเพียงสองผืนเท่านั้นที่ถูกไฟไหม้คือผือนในสุดกับผือนนอกสุดก็เมื่อพระเพลิงไหม้พระสารีระของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลท่อน้ำไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคน้ำพุ่งขึ้นจากไม้สาระ ดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาค พ, พวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราดับจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคด้วยน้าหอมล้วนๆต่อจากนั้นเจ้ามันละได้จัดกําลังพลหอกไว้รอบสันถ า, าร์ล้อมด้วยกําแพงธนูเพื่อป้องกันพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคและสักการะเคารพนบน บูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องพระโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมตลอดเจดวันแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาสัตรูเวเตหิบุตรพระเจ้าลิชาษีผู้ครองกรุงเวสาลีพระเจ้าสักยะชาวกบิลพัท พระเจ้าถูลีผู้ครองกรุงอัลละกับปักพระเจ้าโกริยะผู้ครองกรุงรามคามพราหม์ผู้ครองกรุงเวททีปกะพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงปาวาทั้งหมดได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคเบรินิพาในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นกษัตริย์จึงควรได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทาการฉลองเมื่อทูตจากเมืองต่างๆกราบทูลอย่างนี้พวกเจ้ามันละได้ตรัสตอบกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปริฤกติในเขตบ้านเมืองของเรา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 ออกเป็นแปส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยโทนพรามรับคําแล้วแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันแล้วได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้ทนานนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูวบรรจุทนานและทําการฉลองพวกเขาจึงได้มอบทนานให้โทนพราม พวกเจ้าโมริยะได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคบรินิพานในกรุงมกุศินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามันละเพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างพวกเจ้ามันละได้ตอบว่าบัดนี้ไม่มีส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพราะได้แบ่งกันหมดแล้วพวกท่านจงนำเอาพระอังคารหมายถึงเท่า จงนำพระอังคารไปจากที่นี้เถิดพวกทูตเหล่านั้นจึงนำเอาพระอังคารไปจากที่นั้นเมื่อเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆได้พระบรมสารีริกธาตุและพระอังคารไปแล้วต่างสร้างพระสถูปเพื่อบรรจุและทำการฉลองที่เมืองของตนรวมมีพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแปดแห่งพระสถูปที่บรรจุธนานเป็นแห่งที่เก้า และพระสถูปที่บรรจุพระอังคารเป็นแห่งที่สิบการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุและการสร้างพระสถูปเคยมีมาแล้วอย่างนี้พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระจักสุขซึ่งเป็นบุคคลประเสริฐสุดมี8ปนานประชาชนบูชากันอยู่ในชมพูทวีเจทนาน พระราชาเผ่านาคบูชาอยู่ในรามคามหนึ่งธนานเทพชั้นดาวดึงบูชาพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งส่วนพระเขี้ยวแก้วอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในคันธาราบุรีอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะอีกองค์หนึ่งพระราชาเผ่านาคบูชาอยู่ด้วยพระเดชแห่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นแผ่นดินใหญ่นี้ ประดับด้วยนักรตผู้ประเสริฐพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระจักสุนี้ชื่อว่าอันสาธุชนสักการะกันดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพจอมนาคและจอมคนบูชาแล้วอัญจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดบูชาแล้วเหมือนกันท่านทั้งหลายจงประนมมือไหว้พระบรมสารีริกธาตุองค์นั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นบุคคลหาได้ยากโดยใช้เวลาถึงหนึ่งร้อยกัปพระทนสี่สิบองค์พระเกศาและพระโลมาทั้งหมดเหล่าเทพนำไปองค์ละองค์บูชาสืบๆกันไปในจักรวาลจบมหาปรินิพพานสูตร